เมื่อสักสามสปีก่อนนะเวลาพาคนเดินจงกรมนะรอบสระ mm hmm. ก็จะมีหมาตัวหนึ่งเนี่ยมาร่วมเดินด้วยเป็นประจำนะไม่ใช่หมาวัดนะเป็นหมาอของชาวบ้านนะข้างๆวัดของแม่สุดนะปกติเขาก็เล่นอะไรก็ไปเรื่อยนะแต่พอรั่วมีการเดินจงกรมเป็นแถวนี้ mm hmm. เขาก็จะมาเดินด้วยนะ ชื่อปุกกี้นะเป็นหมาตัวใหญ่ก็จะมาเดินอยู่ข้างๆอัตา ม, มาเนี่ยคือหัวแถวเสร็จแล้วซักพักก็จะวิ่งออกไปคุยเขียอะไรข้างหน้าบางทีก็ได้ยินเสียงมแมลงติดถูก็ไปดูว่ามันเป็นอะไรแต่เขาจะทำงั้นไม่นานนะซักพักเาก็จะรู้แล้วว่า ต้องกลับมาเดินข้างๆพวกเรานะแล้วก็เดินไปสักพักเดี๋ยวก็เผลอแล้วนะวิ่งออกไปข้างหน้านะคุยเขี่ยของอยู่ริมทางสักพักก็กลับมานะมาเดินอ่ากับพวกเราอีกถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดทางนะแต่ว่าตอนนี้ปุ๊กกี้ก็ใชได้ว่าตายไปแล้วนะปี2ปีที่แล้ว ก็ชวนให้นึกนะว่าการเจริญสติก็แบบนี้แหละท่ปกกีก็เปลี่ยนมันกรนะจายปกติท่ปกก้ก็มาเดินข้างตัวตัมมาตัมมาก็เปลี่ยนมันก็นนะกายกายกระจายอยู่ด้วยกันนะก็เกิดความรู้สึกตัวการเจริญสติก็ือนี้แหละก็คือการให้ใจมารับรู้คู่กายตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นแต่ว่า ใจเราก็มักจะเผลอแว บ, บออกไปออกไปนอกตัวนะแต่ถ้าใจที่มีสตินะใจที่ได้รับการฝึกมาดีเนี่ยเขาจะเผลอไปไม่นานแล้วเขากลับมาที่กายเหมือนกับปุ๊กยีนะ่ที่จะไม่เผลอนานแล้วกลับมาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินอย่างสงบนะช้าๆแล้วไปเดี่ยวเขาก็เผลอเขาลืม แล้วก็ออกไปคุยเขี่ยอะไรข้างหน้าแต่เป็นอย่างนี้ได้สักพักก็กลับมาถใจเราเนี่ยนะของผู้ปฏิบัติเวลาเราเจริญสติเนี่ยให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันออกไปเที่ยวเล่นไปคลอเคลียกับรูปรถกินเสียงสัมผัสอ่าภายนอกเนี่ยได้สักประเดี๋ยวเดียวนะแล้วก็รู้ตัวมีสติรละลึกได้ กลับมาแต่ใหม่ๆนะมันจะไม่เป็นงันหรอกนะพอมันวิ่งออกไปนะจิตมันวิ่งออกไปข้างหน้าไปจดจจอกับเสียงที่ได้ยินหรือว่ารูปที่เห็นมันก็ไปคลอเคลียนะคลอเคลียนี่ก็มีทั้งสองแบบก็คือคลอเคลียเพราะหลงหรือชอบกับคลอเคลียในลักษณะที่จะผลักสายออกไปเพราะไม่ชอบนะ ก็จะเจอก็จะเพลินหรือว่าจมอยู่กับสิ่งนอกตัวอย่างเวลาเราได้ยินเสียงดังเสียงที่ไม่ชอบเนี่ยใจเราก็จะไปปักอยู่กับเสียงนั้นนะหรือว่าเวลามียุงมาบินข่วนขณะที่เราเดินจงกลมนะใจเราอยู่ไหนนะใจตอนนั้นก็ไปแล้ะไปจดจ่อที่ยุงนะที่มันบินว่อนหรือว่ามดนะที่ ค่อยๆเลื้อยค่อยๆค่อยๆไต่ขึ้นมาใจมันไปอยู่ที่มดแล้วนะโดยที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ตระหนักหรืออาจจะไม่รู้เลยว่าความกลัวมันก่อตัวขึ้นหรือความไม่พอใจก่อตัวขึ้นมานี่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเราก็กลับมาเห็นนะจิตมันก็พล่าจากมดนะกลับมาดูที่กายว่ากายเป็นยังไงตอนนั้นใจตอนนั้นเป็นอย่างไรความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรนะกายนี่มัน มีความเกรงไหมนะกล้ามเนื้อเกรงเท้าเท้าเกรงขาเกรงไหมหรือว่าลมหายใจถี่สั้นหรือเปล่าเพราะความกลัวหัวใจเต้นเร็วไหมเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะสังเกตได้แต่ไม่ต้องไปถึงกับจดจอนะไปเอาอรายละเอียดนะแต่ว่าการที่เราเห็นอาการของกายเวลามันเกิดความกลัวเนี่ยมันก็เป็นการบ้านอย่างหนึ่งนะเรียกว่าฝึกให้มีสติรู้กายรู้อาการของกาย อาการของกายมันไม่ใช่มีแค่อิริยาบถคื อ, อยืเนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวเลียวหลังแลหน้าแต่ว่ามันก็มีมันก็ยังมีอาการส่วนเล็กส่วนน้อยที่เกิดขึ้นเช่นหายใจถี่สั้นเกรงมือเกรงเท้าหรือว่าบางทีก็ถึงกับขนลุกนะเพราะความกลัวอันนี้ก็มา มารู้ทันก็ดีนะโดยเพาะตอนที่เราอยู่ในเอเรียบที่นิ่งๆอย่างเช่นตอนที่เรายืนอยู่นิ่งๆเนี่ยนะมันไม่มีการเคลื่อนไหว น, นอกจากลมหายใจแล้วก็ตาที่กระพริบหรือว่าการเกลือ น, น้ําลายแต่บางคนก็ไม่มีแต่อย่างน้อยเนี่ยอาการทางกายที่เกิดขึ้นในเวลากลัวเนี่ยมันก็ทำให้มันก็เป็นอุปกรณ์ให้เราฝึกได้นะอันนี้เรารู้กาย แต่เราจะรู้กายไหมถ้าเกิดว่าใจเราไปจดจ้องจดจ่อยอยู่กับสิ่งภายนอกนะจะเป็นเสียงจะเป็นรูปจะเป็นมแมลงนะหรือคนที่เราไม่ชอบนะหรืออาหารนะที่เราโปรดปรานนะอันนี้เราส่งจิตออกนอกเมื่อส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่นะก็จะไม่รู้กายแล้วก็ไม่รู้ใจลืมกายลืมใจ ให้เราทำแบบนะให้ฝึกจ้างเราเนี่ยเหมือนกับปุกกี้นะคือว่ามันเพลิดเพลไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับมานะแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะสิ่งภายนอกหรือสิ่งข้างหน้าแค่อยู่กับปัจจุบันก็พอในการทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันนะไปอยู่กับจุดหมายปลายทางข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้เรานะเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะเป็นทุกข์ว่าเมื่อไรจะถึงสักทีเมื่อไรจะถึงสักทีนะ ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาเดินจงกบแต่เวลาทำงานหรือเวลาเดินทางด้วยบางทีสิ่งดีๆที่สามารถจะให้เราสัมผัสรับรู้ได้ระหว่างทางเราก็มองข้ามไปอาจารย์ประมวลเคยเล่าว่าตอนที่ท่านไปตั้งใจเดินกลับบ้านจากเชียงใหม่ไปสมุยนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่หลายคนคงได้ยินแล้วพาะเขียนเป็นหนังสือพิมพ์มาเป็น20ครั้งได้แล้วมั้งเดินสู่อิสรภาพตั้งใจว่าจะเดินกลับบ้าน กลับไปบูชากลับไปแสดงความกตัญญูลูกคุณบ้านเกิดเมืองนอนนะหลังจากที่กเกษียณจากราชกา ร, กรเกษียณแบบเอนะิร์ลี่นะเราก็ตั้งใจว่าจะเดินกลับบ้านระยะทางก็ 2,000 กิโลแล้วมั้งนะใช้เวลาก็เป็นเป็นเดือนนะ่ะก็มีช่วงหนึ่งนะก็เดินขึ้นเดินผ่านดอยอินทนนท์ก็เลยตั้งใจว่าจะเดินขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์ ระหว่างที่เดินเนี่ยนะก็เหนื่อยมากเพราะว่าข้าวก็ไม่ได้กินเลยอาจารย์ประมวลถือกติกาว่าจะไม่มีการขอข้าวใครจะไม่มีการขอบกรถใครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีถ้าจะมีใครให้ก็ ก, ก็รับแต่ไม่ขอจะมีใครขับรถพาขึ้นเขาก็ได้แต่ไม่ขอแล้ววันนั้นไม่ได้กินข้าวมันก็เหนื่อยนะ แต่ก็พยายามเดินไปให้ถึงยอดให้ได้หน่อยหน่อ ย, นอยถนนนะพอเดินไปถึงยอดนี่ก็เรียกว่าเป็นลมเลยนะอ่ลืมบอกไปว่าพอใกล้ถึงยอดก็มีคนเนี่ยช่วยขับรถขึ้นไปส่งถึงยอดก็ได้มีโอกาสพักพอพักได้สักพักก็คิดว่าควรได้เวลานะเดินลงเขาแล้วขณะที่เดินลงเขานี่ปรากฏว่าสังเกตว่าสองข้างทางมันสวยมากเลยโดยเฉพาะอ่า วิวทิวทัศน์ข้างล่างสวยมากจนรู้สึกอศัศจรรย์ระหว่างที่กำลังชื่นชมธรรมชาติอยู่ก็ได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราก็เดินขึ้นมาทางนี้นะแต่ทําไมเราไม่เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยก็ได้คําตอบว่าเป็นเพราะใจนี่มันไปอยู่กับจุดหมายปลายทางไปอยู่ที่ยอดดอยนะพอจิตใจจุดใจมันไปอยู่ที่ยอดดอยนี่มันก็ลืมนะหรือมองไม่ไม่สัมผัสรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่สองข้างทางหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งที่มันสวยงามมาก ก็เลยได้ในงานคิดเลยนะว่าจริงๆแล้วนี่ไอปัจจุบันขณะหรือว่าการมีใจอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันมีค่าไม่น้อยไปกว่าการที่เราเดินไปถึงจุดหมายคนส่วนใหญ่นี่คิดถึงแต่จุดหมายปลายทางแล้วก็ลืมลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างในระหว่างทางเวลาทํางานก็คิดแต่จะทํางานให้เสร็จแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าไอช่วงระหว่างที่เรากำลังทํางานเนี่ยมันก็สามารถจะให้ ความสงบความโปร่งเบากับเราได้หรือเวลาเราเดินทางนะคิดแต่จะถึงเป้าหมายแต่ลืมไปว่าสองข้างทางก็สวยงามนะที่เราสามารถเก็บเกี่ยวเติมเต็มความสุขให้กับเราได้หรือแม้กรั่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยคิดแต่ว่าจะถึงจะให้ได้ความสงบหรือว่าจะได้เกิดยานปัญญาเกิดรู ป, รปนามแต่ว่าไอ้ระหว่างทางระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้หรือว่าเก็บเกี่ยวได้มากมายอันนี้แหละนะที่ ท่านติดนันฐานนึงบอกว่าเนี่ยปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความอัศจรรย์นะอยู่ที่ว่าใจเราจะเปิดเห็นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เราไม่เห็นเพราะใจเราไปอยู่กับอนาคตซะละไม่ไม่รับรู้สิ่งที่ปรากฏข้างหน้าหรือสิ่งที่อยู่ในใจนะรู้นอกรู้ในในปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นเพราะว่าใจมันไปอยู่ที่อนาคตซละ